ทำสิบประการนี้มีชื่อว่าสันเลกธรรมจะเรียกว่าเป็นบัญญัติสิบประการของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานก็ได้เพราะธรรมเหล่านี้แหละจะเป็นธรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันข้อที่หนึ่งก็คือ ความมากน้อยข้อที่สองความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามการไม่คุกครีกันข้อที่สี่การปริวเวกข้อที่ห้าการทำความเพียรข้อที่หก การเจริญศีลการรักษาศีลต่างๆข้อที่เจ็ดคือสมาธิขั้นต่างๆข้อที่แปดปัญญาข้อที่เก้าวิมุตติการหลุดพ้น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 เต็มไปหมดที่ปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติก็คือเรือนร้างหรือโคนไม้เงื่อผาหรือในถ้ำนี่คือที่อยู่อาศัยของผู้มักน้อยอยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิด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 อย่าส่งออกข้างนอกในสมัยพุทธกาลนี้ชาวบ้านไม่เข้าใจเห็นพระเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนี้ไม่พูดไม่จาไม่คุยกันคิดว่าพะระเกลียดที่หน้ากันหรื อ, อยังไงไม่ชอบหน้ากันอย่างไรโกรธกันเหรอจึงไม่คุยกันเลยนั่นคือเรื่องของทางโลกทางโลกนี้เวลา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 ทำงานไปแล้วก็มีสติอยู่กับงานที่ทำหรือพิจารณาอนิจจังถึงงานที่ทำอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่ทำทำแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเสร็จแล้วมันก็จบเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาทำใหม่คิดว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทำแบบดีแค่ไหนเสร็จแล้วมันก็จบไปผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทำใหม่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 พอเสร็จภารกิจแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปบาเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อวิมุติและวุวิมุติญาณทัศนะที่จะตามมาต่อไปข้อที่สี่ก็คือการปรีกวิเวกบางครั้งอยู่ร่วมกันมันก็มีภารกิจมาก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 รูปเสียงกิน่นรสผทธพะนี้ไม่เป็นประโยชน์กับการทําใจให้สงบการทําใจให้บรรลุธรรมสถานที่สงบสงัดวิเวคห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี่แหละจะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญต่อการบรรลุธรรมจึงควรที่จะปรึกวิเวกกันเวลาเจอกันสนทนากันก็ควรจะเล่าถึงสถานที่ เปิกวเวกว่าเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรสําหรับผู้ที่ไม่เคยไปเปิกวเวกจะได้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการเปิกวิเวกจะได้ไม่หลงติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะให้เสพให้สัมผัส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 นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรให้บำเพ็ญในทุกอิเลียบทของการเคลื่อนไหวเวลาที่ไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้นั่งสมาธิเวลาทาภารกิจต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทาอยู่หรือให้มีการบริกรรมพุโทโรธการกับควบคู่ไปกับการกระทำ เพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ใจคิดปุ่งแต่งถึงเรื่องต่างๆนานาหรือถ้าจะคิดปุ่งแต่งก็ให้คิดไปในทางมรรคทางปัญญาให้คิดไปในทางใจรักอนิจจงทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางอาหาเลยปฏิกู ล, ลสัญญาคิดไปในทางอาการสามสิบสองของร่างกายคิดไปในทาง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 ก็อาจจะไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งก็เป็นแบบมือสมัครเล่นเหมือนนักกีฬามือสมัครเล่นเวลาวันทํางานก็ต้องไปทํางานวันเสาร์ก็ไปซ้อมกีฬาเอสาร์อาทิตย์ก็ไปซ้อมกีฬาถ้ามีการเวลาซ้อมเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ความสามารถในการเล่นกีฬาก็จะสู้คนที่เขาซ้อมอยู่ทุกวันไม่ได้ทําอยู่ทุกวันไม่ได้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 ต้องพยายามเพิ่มการรักษาศีลให้มีมากขึ้นไปตามลำดับนะรักษาศีลห้าได้แล้วก็พยายามรักษาศีลแปดเรื่องต้นก็อาจจะเอาอาทิตย์ละวันหนึ่งก่อนเช่นในวันพระก็มาถือศีลแปดกันพอรักษาได้อาทิตย์ละวันก็เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองสามวันวันก่อนวันพระวันหลังวันพระ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 วิมุตตินั่นเองก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ลำดับต่างๆขั้นต่างๆความทุกข์ความทุกข์ที่ที่ผู้ปฏิบัติจะหลุดพ้นได้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นพระโวสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันผู้ที่ปฏิบัติไปก็จะหลุดไปเป็นขั้นๆหลุดขั้นสวสดาบัน หลุดขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอารหันต์แล้วก็จะปรากฏยาณทัศนะขึ้นมาวิมุติยาณทัศนะขึ้นมาปรากฏความรู้ขึ้นมาในใจว่าได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ระดับนี้ระดับนี้เช่นพระโสดาบันก็จะเกิดยาณทัศนะว่าได้หลุดพ้นจาก อ, าอะไร ที่เรียกว่าภาษาภาษาสังโยชนสามข้อแรกเนี่ยมีอะไรทิฏฐิอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีสีลพัตตะปรลมาสวิธิกิจชาเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าได้หลุดพ้นจากขั้นนี้แล้วขั้นต่อมาก็จะรู้ว่าได้ทำให้ตปิขะกับการมราคะเบาบางลงไปแล้ว ขั้นต่อมาก็จะรู้ว่าได้ละได้ละปฏิฆะได้ละกามมราคะแล้วขั้นพระอรหันต์ก็รู้ว่าได้ละรูปรารคะแล้วอรูปรารคะแล้วได้ละอุทธัจจะแล้วได้ละมานะแล้วได้ละอวิชชาแล้วนี่คือญาณนะวิมุตติญาณนะทัศนะคือมีความแน่วแน่มั่นใจ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 นี่คือเรื่องของทำสิบประการด้วยกันที่เรียกว่าบัญญัติสิบประการของผู้ปฏิบัติที่ควรที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเจริญควรที่จะสร้างควรที่จะบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาและเวลาที่พบปะกันสนทนากันก็ควรที่จะสนทนานทำทั้งสิบประการนี้เพราะจะเอื้อต่อการปฏิบัติ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 มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาทานาสีริสะนิจังุทธาปจายนโนจัตตารุธมรมวาทานติอายุวันโอสุขงงังภาลังต่อไปนี้ก็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 ไม่รู้ว่าทุกข์ใจนี้เกิดจากการหาความอยากไม่รู้ว่าการดับความทุกข์ใจนี้ดับด้วยมักคืคอศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเนี่ยนี่คืออวิชชาพระพุทธเจ้าจึงต้องปากเปียกปากจีกสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนากันเพื่อจะได้มาแก้อวิชชาความไม่รู้ถ้ามีทานศีลภาวนาแล้วมันก็จะ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 พะุทธเจ้าพอบำเพ็ญก็ทรงเห็นว่าอ้ยความทุกข์ของเรามันอยู่ที่ความอยากนี่หว่าเอยิ่งทาตามความอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ก็ทําทมากี่ครั้งมันก็ไม่หายทุกข์สักทีก็พิจารณาจนเข้าใจอ๋อของใกล้ตัวนี่เออยู่ที่ใจเรานี่เองต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งสามกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นราเรียกว่ากามาตันหา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 ลุกแล้วแบบไม่ลม้มเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ารีบศึกษาพระธรรมคาสอนเสียท่าบัดนี้อย่าไปประชดชีวิตให้เสียเวลาเพราะไม่มีใครก็สนใจเราหรอกเราจะประชดไปกระโดดตึกตายมันก็เรื่องของเราต <c oughs> ายก็อย่างมากก็ทำศพให้เราเท่านั้นเองอย่าไปชับประชดให้เสียเวลารีบมาแก้ปัญหาของเราดีกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ทําให้เราไม่ล้มเหลวก็คือ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 พอโทค่ะสอบตกเพราะกำลังสติอ่อนและไม่มีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันผ่านไปแล้วจบไปแล้วและต่อไปจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้สอบข้อนี้ผ่านคือไม่สนใจการกระทำหรือคำพูดที่ไม่ชอบก็ทำการบ้านเหมือนกับเราซ้อมเล่นละครเราไม่ชอบคำพูดนี้เราก็เอาคำพูดนี้มาท่องอยู่ในใจ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 มันก็เสียงเันเดียวกันเอาจากปากของคนเดียวกันเราไปให้ความหมายผิดกันเั้านั้นเองไปให้ความหมายว่าดีไม่ดีควารจริงเราต้องอย่าไปให้ความหมายว่ามันดีไม่ดใีให้มันให้มันว่ามันเป็นศักแต่ว่าเสียงสักดแต่ว่าเวทนาแล้วต่อไปมันก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะจะทำอย่างไรให้หยุดคิด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 มันจะชวนไปกินขนมก็ไม่รู้ไม่ที่พุโทโธของเราไปต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองถ้าพุโทโธของเราเข้มข้นขึ้นแข็งแรงมากขึ้นความคิดต่างๆที่จะแทรกเข้ามาก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่มีความคิดอะไรเข้ามาเราต้องพยายามเกาะติดอยู่กับคําบริกรรมของเราถ้าเราใช้การบริกรรมเป็นการเจริญสติ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 และเวลาไม่ได้ดักไม่ได้ดังใจอยากมันก็เกิดอาการซึมเศร้าผิดหวังขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดตวงแต่งไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราอยากได้มันก็จะจางหายไปจากใจใจก็จะว่างพอว่างแล้วอารมณ์ต่างๆคือความว้าเหวความซึมเศร้ามันก็จะหายไปฉนั้นพยายามเจริญสติให้มากพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความซึมเศร้าขึ้นมา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 ใครอยากจะกลับบ้านก็กลับใครอยากจะนั่งสมาธิเก้เาสักครึ่งชั่วโมงอันนี้มีภาคปฏิบัติแถมนิดหน่อย <Okay. S 1> อก็ไม่ให้มีอะไรกํากับใจไว้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะพิจารณาทมก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วทำให้ใจสงบได้ก็พิจารณาไป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 เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ